ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสําหรับเวลานี้ท่านทั้งหลายได้พาการสมาทานศีลสมาทานไปกรรมฐานแล้วต่อ น, นี้ไปก็ขอได้โปรดสดับเรื่องราวของพมีหานสี่สำหรับการเจริญบัตถกรรมฐานบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย พขได้โปรดจงหย่าทิ้งอารมณ์ข้ออนาปานุสติกรรมฐานหรือว่าคำภาวนาใดๆที่สามารถทำกำลังใจของท่านให้พ้นจากความพุ่งสร้างของจิตหมายความว่าจิตอารมณ์อื่นเข้ามาคิดแทนการฝึกสมาธิยมม่อมมีประโยชน์กำลัง ในการที่ให้กําลังจิตมีกําลังควบคุมด้วยอำนาจของสมาธิเมื่อจิตมีกําลังควบคุมด้วยอำนาจของสมาธิแล้วเมื่อจิตเยืยดเย็นปัญญาก็เกิดเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญการเจริญเทกรรมฐานที่ทํากันได้ดีก็เพราะว่าหนึ่งถ้าจิตต้องการคิด เราก็หาทางคิดในขอบเขตในวงการของกรรมฐานบทนั้นๆเต็นว่าจิตต้านออกไปกำลังใจคุมไม่อยู่อย่านี้องค์สมเด็จพระบรมครูทรงแนะนำให้ทิ้งอารมณ์คิดเสียหันมาจับอานาปานุสติกรรมฐานคือกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออก ถ้ากำลังจิตเป็นสุขทรงตนดีที่เรียกกันว่าเอกคตารมมีอารมณ์สบายใจไม่สอดใส่ไปหาอย่างอื่นก็หันเข้าไปใช้การพิจารณาใหม่ถ้าทำกรรมแบบนี้ผลดีจริงเกิดถ้าว่าทำกันประเภททรงเดชมันก็ใช้อะไรไม่ได้ใอ้บริการหนึ่งอารมณ์สมาธิก็ดี อารมณ์คิดก็ดีคิดหมายว่าต้องคิดอยู่ในขอบเขตของวงการกรรมฐานที่เราต้องการก็จงอย่ามีแต่เฉพาะเวลาที่เราใช้อารมณ์สงัดหรือว่าเวลาสงัดที่เช่นตั้งเวลาไว้ว่าเวลาสองทุ่มบ้างสามทุ่มบ้างตีหนึ่งบ้างตีสองบ้างถ้าใช้เฉพาะเวลาอย่างนี้แล้วก็บรรดาท่านโพธบริษัทไม่มีผล กำลังใจของเราที่เรียกกันว่าสมาธิคือการทรงกาลังจิตให้มันคิดอยู่ในรองในขอบเขตของกรรมฐานที่เราต้องการว่าการตามปกติก็คือทั้งวันถ้าจิตเรามีงานอย่างอื่นก็ทำอย่างอื่นไปจิตว่างจากงานนั้นม่อะไรก็หันเข้ามาเจียจับอารมณ์ของกรรมฐานอย่างนี้ ทั้งสมถะและวิปัสสนาจะมีผลกับท่านโดยโรวดเร็วแล้วก็เกินคาดอย่างที่บรรดาท่านพุทธบริษัทใชอารมณ์ฝึกมโนมยิทธิก็ดีฝึกที่ไปอยู่คุยยันก็ดีที่ได้ยากในกำไมายความว่าทิ้งอารมณ์คือไม่ทรงอารมณ์ไว้นี่อย่างหนึ่งและรายการที่สองเวลาที่กระทำ ตั้งใจคิดอยากจะเห็นคิดอยากจะไปเกินไปจัดว่าเป็นอุทจฉาในนิวรณ์ห้าประการอย่างนี้ไม่ได้ผลเขาต้องใช้คำพาวนาให้จิตมันทรงตัวถ้าจิตทรงตัวมีอารมณ์เป็นสมาธิสมาธิสุกเกิดขึ้นมา่อไรจิตมีอารมณ์เป็นทิพ์เมื่อนั้นถ้าต้องการที่ปิยคุ ย, ยาน พอเข้าถึงอุปจารสมาธิชั้นสูงอันดับสูงใกล้จะถึงปัตถมชฌานผลก็เกิดถ้าต้องการมนโนวิธิถ้าจิตทรงสมาธิถึงฌานสี่มร่ผลก็เกิดผลจะเกิดหรือไม่เกิดมันอยู่ตรงนี้ถ้าวันทั้งวันเราไม่ทิ้งอารมณ์นั้นผลมันจึงจะเกิดไม่ใช่ว่าจะมาเลือกเวลากันเฉพาะเวลาฝึก เฉพาะเวลาฝึกเราถึงจะใช่อารมณ์นั้นอย่างนี้นานหน่อยที่ได้เร็วก็หมายความว่าต้องเป็นคนเคยที่ได้มาแต่ในการก่อนที่นี้สำหรับวันนี้ก็อยาขอพูดเรื่องพรหมิหารสี่คือมีเมตตาความรักกรุณาความสงสารมุทุตาจิตเยออนโยนไม่ชา้าทิ่เสยาใครอุเบขาวางเฉย วันนี้เห็นจะเป็นการครบคุณของพระอนาคามีความจริงท่านหลายหลายที่ทรงพรมิหารสี่เริ่มมาตั้งแต่ต้นต้องก็ตั้งชนในระดับนี้การทรงพรมิหารสี่ของท่านทรงตัวกว่าจมาถึงพระอริยเจ้าขันโธดาบันนั่นพรมิหารสี่มันต้องดีแล้ว เพาอะไรเพราะว่าถ้าไม่ดีเป็นประสดาบันไม่ได้แต่ว่าคนที่ทรงพรมหมหันต์สี่ถ้ามีความจริงจังเขาก็คิดว่าเริ่มต้นขั้นปรถมของพรมหมหันต์สี่ควรเป็นประโสดาบันไม่ใช่ชาญโล ก, กีนี่การจเจรินไปรกรรมฐานต้องรู้จุดคือต้องรู้จุดที่เราจะต้องลง ไม่ใช่เป็นนักบินที่ไม่รู้จักสนามบินที่จะลงถ้าไม่รู้จักสนามบินลงไม่ช้าน้ำมันหมดตกก็มาตายเหยื่อกำนักเจริญพระกรรมฐานทั้งหลายหายจุดไม่ได้ก็ว่า ก, กันเรื่อยไปคุยกันที่เรื่องนั่งนานภาวนา น, นา น, น, านเดินนานยือนนอนยืนนานนั่งนานเอานานๆนนเขาว่ากันไม่มีอะไรเป็นผล ผลมันอยู่ที่จิตบริสุทธิ์หรือที่จิตทรงตัวคือผลจริงๆที่เราต้องการก็คือพระความเป็นพระอริยเจา้าอย่างเร็วที่สุดเราควรจะเป็นพระโสดาบันนี่ผมพูดตามความต้องการของพระพุทธเจา้าอย่างดีที่สุดเราต้องการความเป็นพระอรหรัน ที่นั้นหางว่าท่านผู้ตั้งใจทรงพรมีหารสี่อย่าลืมนะครับว่านักปฏิบัติไม่ว่าปฏิบัติทางโลกทางธรรมชั้นต่ำชั้นสูงถ้าขาดอิธิบาทสี่ก็ไม่มีทางมีผลอิธิบาทสี่คือฉันทะมีความพอใจในอารมณ์ที่เราต้องการ คือในกรรมฐานอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่เราต้องการพอใจคือจิตนึกถึงอยู่เสมอเหมือนกับชายหนุ่มหญิงสาวที่เริ่มรักกันก็นั่งนึกถึงกันอยู่ตลอดเวลาจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลก็นึกอยู่ถึงกันได้เสมอนี่ชันทะชันทะความพอใจบริการที่สองริยะความเพียร ในเมื่อไม่มั่นใจว่าเขาจะรักเราแน่เราต้องเพียรทําทุกอย่างเพื่อเขารักถ้าอยู่ไกลแสงไกลเปรีการใดก็ตามก็ต้องเพียรเข้าถึงกันให้ได้ข้อนี้ฉันใดการเจริญไป็กรรมฐานก็เหมือนกันเพราะกำลังใจเรากลับาอารมณ์แห่งความชั่วมาเป็นอารมณ์ของความดีมันก็ต้องต่อสู้เมื่อไหร่ความชั่วมันเข้ามาครองจิตเดียวก่อน เราจะความดีเข้ามาครองเมื่อภายหลังผู้ครองก่อนก็ต้องประกาศสงครามกันเราก็ต้องใช้ความพยายามห้ามหันตัวร้ายที่ครองในจิตใจของเราให้พินาศไปให้ได้นี่เป็นความเพียนเราจะไม่ยอมแพ้วันนี้แพ้พรุนี้สู้ใหม่เวลาแพ้นี่แพ้เวลาหน้าสู้ใหม่ คำว่าแพร่หมายเื่องการส่งกำลงังใจมันส่งไม่อยู่แพรแพร่ก็เลิกสร้างเกินไปก็เลิกมื่มณ์สบายตั้งท่าว่ากันใหม่อย่างนี้ไม่ช้าไม่นานเท่าไรเราก็ชะนะสามจิตตะเอาใจจดจ่ออยู่ในอารมณ์นั้นตลอดเวลาที่เตืนอยู่เห็นไหมนะ สี่วิมังสาใช้ปัญญาพิจรารณาค่ายวนว่าการปฏิบัติการใช้อารมณ์แบบนี้ถูกต้องตามคำแนะนำของครูบาอาจารย์คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนแล้วหรือยังถ้าไม่ถูกต้องตามนั้ น, สนแสดงว่าใช้ไม่ได้ต้องใช้หลักสีเรืการนี้คุมใจอยู่ตลอดเวลา กามจริงที่จะพูดไปทําให้ยากไหมผมไม่เห็นยากเลยถ้าเราเป็นคนเอาจริงทุกอย่างไม่มีอะไรจะยากไอ้คําว่ายากนี่หมายความว่าจิตกําลังใจไม่มีความจริงหายจริงไม่ได้สักแต่ว่าทำโผล่โผล่โผล่จะเป็นประเภทศรัทธาโหัเต่าโผลเข้าโผล่ออ ก, กแบบนี้มันไม่ได้ทําศาสนาเข้าเสื่อมเช่นด้วย ต่อตอนนี้ไปก็มาพูดกันถึงการเมตตาความรักกรุณาความสงสารมุทุตาจิตอ่อนโยนผู้มเมขวาววางเฉยตัวนี้ถ้ามีจริงจริงงจั ง, จงเป็นกำลังของชานทรงตัวและจิตน้อมเข้าถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์เริ่มต้นก็เป็นโทโสดากับสกิธาคา ตอนนี้มาว่ากันถึงเรื่องของพระนาคามีได้ก ล, ล่าวมันแล้วว่าเราควรจะมีความรักในจิตใจของเราว่าจงอย่ามัวเมาในกามคุณห้าด้วยการมัวเมาในกามคุณห้าคือรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศไม่ได้สร้างประโยชน์ไม่ได้สร้างความสุข มันเป็นปัจจัยของความทุกคนที่เขาแต่งงานกันนะเห็นไหมว่าเขาทะเลาะกันมีมานเรื่าเวลาก่อนที่จะแต่งงานกันเลือกแล้วเลือกอีกสวยหรือไม่สวยดีหรือไม่ดีแม้เลือกกันจำจี้จำชัยเลือกน้อยเลือกใหญ่สืบสาวเราเรื่องสืบแตกูวกันไม่หวัดไม่ไหวเพราะแต่งงานกันไม่เทไรทะเลาะกันแล้ว ป็นความทุกข์ทั้งหลายอย่างอื่นมันก็ติดตามเข้ามานีความสวยความชงาผ่าเผยที่ต้องการในระดับแรกในที่สุดความเศร้าหมองม่เกิดทุดโศมลงไปทุกวันทวันดูคนที่ก็แต่งงานผ่านในระยะเวลามาประมาณยี่สิบปีแล้วไปขอดูรูปถ่ายที่ก็ถ่ายเมื่อวันแต่งงานเน่ะมันคล้ายคลึงกันไหม ดีไม่ดีเราอาจจะจำไม่ได้คิดว่าผีหลอกหรือก็ไดามันสุดโรมขนาดนั้นมีลูกมีเต้าออกมามันมีความสุขหรือความทุกข์แบกภาระเรงการลูกอย่างหนักในที่สุดต่างคนต่างตายแล้วร่างกายของคนที่เรารักมันสกปรกหรือว่ามันสะอาดตอนนี้ต้องเรารักจิตของเรารักเราเรียกว่าเรารักตัวเราคือจิต คิดว่าอารมณ์อย่างนี้อาการอย่างนี้มันเป็นปัจจัยของความทุกข์เราสแสวงหาความสุขทำไมจิงยะเก้าเข้าไปสู่ในกฎของกามคุณมันดึงชาวบ้านในเขาทุกข์ยากทําบากต้องพัดพราจากกันปิยะโตชายะเตะโสโคองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความนัก พอทพัดท่าจากกันตามกฎขธ้ธรรมดาเท่า น, นั้นร้องให้จะงองแงกทําไมจึงไม่คิดว่าคนเราเกิดมาแล้วมันต้องตายญาติผู้ใหญ่คนอื่นเขาตายให้ดูทําไมจึงไม่มองไม่คิดว่าคนที่เรารักของที่เรารักมันจะอยู่กับเราตลอดกาลตลอดสมัยพอจากกันหน่อยตามกฎธรรมดาก็ร้องให้อันนี้นะ่าสังเวชจิต นี่เราใช้เมตตาคืออรมแห่งความคิดรักตัวเองว่าจงอย่าก้าวเข้าไปหาความทุกข์ประเภทนั้นเลยจงใช้อสุภกรรมฐานกับกายยกาตานุสติกรรมฐานเข้ามาปุจิจารณานะก็จับมรณานุสติกรรมฐานคือความตายเข้ามาร่วมโดยช่วยคิดว่าสิ่งสุกภโลกของร่างกายเราก็ดีร่างกายเขาง็ดีนี้ เมื่อมันอยู่เบรคองกันอยู่ตลอดการตลอดสมัยไปได้หรือเปล่าหรือว่ามันตายในตายในวันสุดท้ายก็ปลายกฎว่ามันตายถ้ามันตายจากกันจะไปสร้างความลําบากทำไมอยู่คนเดียวไม่ดีกว่าด้วยตีเป็นพระพุทธเจ้าจัดว่าเอกายโนยังพิกโ เ, เวมะโคสตตานังวิสติยา ซึ่แปลเป็นใจความตามนืความว่ากระทางของบุคคลพูดเดียวจัดว่าเป็นทางเอกเป็นทางนำมาซึ่งความบริสุธทธิ์ุดผ่องนี่หมายความว่าแค่ตัวเราตัวเดียวเท่านั้นมันก็ทุกพระพุทธเจ้ายังแยง้งทำามว่าไอ้ร่างกายของเราที่เราเรียกว่ามันเป็นเราเป็นของเราเนี่ยมันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราที่เราไม่ต้องการเขาแล้วก็โดยเลยไม่ต้องการเราเสียด้วย ท่านบอกคำว่าเราในที่นี้คือร่างกายเราจริงๆไม่ใช่กายกายเป็นเรียงร่างที่อาศัยโชคราวเราคืออทิศมาทางกายหรือที่เรียก่าจิตถ้าว่าเสียงสถติตอยู่ในกายใช้กายเป็นเครื่องเป็นที่อยู่ใช้กายเป็นแดนอาศัยจะทำอะไรจะพูดก็ใช้กายพูดจะทำใช้กายทำเราจริงๆไม่ใช่กายคือจิต ที่มีความรู้สึกนึกคิดอะไรต่ออะไรต่างๆนี่นคือเราแล้วก็มองดูร่างกายว่ามันเป็นเราไปของเราไหมมองเห็นไม่ยากตามดีโองค์สมเด็จพระผู้มีพระภ่ายเจ้าทรงจัดว่าร่างกายมันเป็นธาตุสี่คือตัณหาสร้างขึ้นอาศัยธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟมีอากาศจะธาตุวิญญาณนั้นธาติคำว่าวิญญาณนธาติทีราเรียกคำว่าประสาคือความรู้สึก แล้วจิตก็ใช้ทํางานต่างๆเืิดขึ้นมาได้มันก็สุดโสงนปทุวันมีโรคภัยไข้เจ็บรบกวนมีความหิวความกระหายตลอดเวลาไม่ช้ามันก็ตายถ้ามันเป็นเราจริงเป็นของเราจริงมันจะตายได้ยังไงเป็นอะไรว่าปรองใจใช่ว่าร่างกายพวกเราก็สุกกรกกวนสุดโสมทุกวันมันเป็นของไม่ดีก่ายนี้เราไม่ต้องการมันอีก เน้อกายคนอื่นเราก็ไม่ต้องการวัตถุธาตุใดๆที่จะเป็นสมบัติต่อไปในเบื้องหน้าไม่มีสําหรับเราคือชาติหน้าชาตินี้ต้องมีคนต้องกินต้องใช้ถ้าตายจากชาตินี้มาอะไรก็เลิกกันถ้าคิดอย่างนี้มันก็เลยเป็นพระรหัสงั้นไปเลยพระรหัสงขาคิดแค่นี้ใน ต, ตอนนี้เราแค่ตัดการมไชั้นชากันก่อน ย้อนกล่าวฮนะจนถึงกรรมไมฉันทะตอนนี้อนนาคามีก็ต้องมีปฏิฆาอีกอันหนึ่งเธ อ, อตัดระงับกรรมไฉันท่านได้ตัวนี้ไม่ระงับนะันตัดขาดไปเลยความรู้สึกในเพศไม่มีเจอะหน้าคนที่เราเคยรักลักษณะอย่างนี้เราเคยรักเจอะสีสันวรนละที่สวยสดงดงามที่เราเคยชอบ ฟังเสียงที่เราเคยหลงดมกลิ่นที้เราเคยปรารถนาแต่รสที่เราต้องการมาอร่อยเยอะเกินสัมผัสระหว่างเพศที่เราต้องการอาการอย่างนี้ไม่ปรากฏในจิตมีความรู้สึกว่ารูปกนดีรูปสวยมันโกหกเดี๋ยวก็พังเสียงเพราะมันโกหกไอเสียงเพระเพราะเนี่ยไม่แน่หรอก วันนี้เราได้ฟังเสียงหวาหวานชื่นใจประโรมใจพูดจาดีสละสละอยช่วยให้มีความสุขแต่นี่ไม่ดีประเดี๋ยวก็กด่าสง่งจะไปสนใจอะไรกับเสียงให้กลิ่นก็ไม่กลิ่นกระทบจมูกแล้วก็หายไปเยา่าะรดนี้สัมผัสปลายลิ้นกับกลางลิ้นมีความรู้สึกทิ้งคนลิ้นก็หายไป การสัมผัสร่างกายซึ่งกันและกันทุกสิ่งทั้งห้าปรกายไม่ได้สร้างความสุขไม่ได้สร้างความทรงตัวเราได้มาทั้งหมดเราก็แก่ไปทุกวันมันไม่ได้ห้ามความแก่แล้ได้มันมาทั้งหมดเราก็มีการป่วยไข้มีความทุกข์มีความ เ, เหน็ดเลือยไม่ได้ช่วยเราหายเหนื่อยแล้วได้มันมาแล้วเราก็ตายไปคบมันทำไมเลิก พูดกันอย่างย่งอๆต่อ น, นี้ไปก็ว่ากระถึงปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งอารมณ์ความจริงท่านที่ทรงพรหมหารสี่เป็นพระนาคามีง่ายผมอยากจะบอกว่าบคุคคลใดมีความชำนาญในพรมหมหันา์สี่ผมไม่อยากจะบอกว่าท่านได้ได้เป็ น, เ ป, นเป็นพระโสดาบันเมื่อ น, นั่นเป็นสิกาคารมีมณีผมไม่อยากจะพูดอย่างนี้ พุทธิแก่ผพูดร่าบุคคลใดถ้าทรงพระมวิหารสี่เป็นปกติคนนั้นควรจะเริ่มต้นเป็นพระอริยเจ้าโดยพระอนาคามีเห็นไหมพระมวิหารสี่นี่คุณตระเสิดมากตอนนี้เรามาพูดถึงปฏิฆะคือการที่ไม่ชอบใจอารมณ์ที่มันไม่ชอบใจที่ไม่เกิดขึ้นกับเราเราก็มานั่งคิด ว่าทำไมที่เราถึงไม่ต้องต้องไม่ชอบใจว่าจาที่เขากล่าวจริยาที่เขาแสดงออกมันมีเหตุมีผลอะไรถ้ามันดีไหมการแสดงความไม่ชอบใจเนี่ยมันดีหรือ ม, มันชั่วถ้าไม่ชอบใจเล็กมันก็บ้าเล็กไม่ชอบใจใหญ่มันก็บ้าใหญ่ คือว่าไม่ชอบใจเล็กจิตมันโกรธอารมณ์ขุนหน้ามันจะนิว่วผิวไม่สวยอาการที่สแสดงออกก็ไม่งามนี่เริ่มบ้าเล็กถ้าไม่ชอบใจใหญ่มันทนไม่ไหวปากดา่ามือตีนี่เป็นมันว่าบ้าใหญ่เพราไม่ชอบใจใหญ่แล้วอารมณ์ที่ไม่ชอบใจมันเป็นปัจจัยของความสุขหรือความทุกข์ นั่งนึดอารมณ์ที่ไม่ชอบใจนี่มันเป็นปัจจัยของความทุกข์ไม่ใช่ความสุขทุกตรงไหนล่ะถ้าโกโรธเขาขึ้นมาแล้วกินไม่ได้นอนไม่หลับคิดไปเส ม, มอว่าเมื่อไรกูจะฆ่ามันให้ได้เนะาะเมื่อไรเราจะทำร้ายมาัมมนให้ได้เมื่อไรจะแกล้งมันทีบหายเสให้ได้ นั่าคิดนอนคิดคิดมาทะลรมฟุ้งสันใจก็ไม่เป็นสุขมีแต่ควา ม, มวร้อนนอนก็เลยไม่หลับเมื่อนอนไม่หลับมันก็กินไม่ได้แล้วใครตายก่อนคนที่ถูกโกรธตายก่อนหรือว่าคนที่โกรธตายก่อนถ้าบังเองิญคนดีก็ถูกโกรธเขายังไม่รู้เขานอนหลับสบายกินได้นอนหลับจิตเป็นสุข เราก็มีแต่ลมกระสับกระสายหาความสบายไม่ได้มีแต่วความ ร, าร้อนเมื่อนอนไม่ได้กินไม่หลับข อ, อโทษนอนไม่หลับกินไม่ได้กำลังกายมันก็สุดโสมพายพร้อมลงปทัทถวันเริ่มทรายก็เริ่มมีอาการเสื่อมจิตมีกําลังใช้มากเกินไปประสาทคนไม่ไหวในที่สุดก็โสมโสมแล้วก็ตายมีประโยชน์ไหม ถ้าสมมติว่าเราแยกค่าเขาได้เนี่ยเราจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์คนที่เราให้ทำให้เราไม่ชอบใจค่ามันซะเลยไม่อาไว้จะพอน่าคืน อ, อยู่ร่วมโลกกันไม่มีความสุขถ้าเราค่าได้โดยสะดวกเขาไม่ต่อสู้ก็ลองนึกถอยหลังมาว่ามันจะสุขแล้วมันทุกข์เพราะคนในโลกนี้ไม่มีแต่เขากับเราสองคน มันมีคนเ่งอยู่ด้วยถ้าระเยค่าเขาตายญาติพี่น้องของเขาเพื่อนที่รักของเขาก็จะสร้างความแค้งเคร่งให้เกิดขึ้นกับเราตอนนี้เราก็ต้องคอยหลบคยระวังเกรงว่าเขาจะมาแก้มือหรือมิฉะนั้นคนที่รับอาสาแก้มือที่มีความสําคัญก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องจับรายขังหาว่าเป็นอาถิยากรหมดอิสรภาพ หมดความสุขในต่อไปเจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการครือสายก็ตัดสินเข้าคุกเข้าตารางแล้วถูกประหารชีวิตเนี่ยการที่เราโกรธแต่ทำได้ตามความประสงค์ของเรามันก็เป็นความทุกข์เราจะนั่งโกรธทำอะไรกันละ่ะก็คนที่เขาสร้างเขาทำไม่ดีด้วยทางกาย พูดไม่ดีเพระเาะทางวาจาก็คนพวกนั้นมันคนบ้านล้าก็นั่งคิดว่าไอ้พวกคนบ้าเนี่ยจะไปถือมันได้หมโบราณท่านบอกว่าอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมาค า, าบา้าอะไรบ้าอำนาจวาสนาอยาาจะเป็นคนเก่งบ้าความอิจฉานึกขี้ยะคนอื่นอยากจะดีแต่คนเดียว อารมณ์ความว่าบ้าทำลายความสุขคือทําลายความเป็นนิสิคนประเภทนี้ปัญญาไม่มีจะคิดมีดอารมณ์บ้าเข้าครองใจไอ้คนบ้าประเภทนี้มันไม่มีความสุขมันมีแต่ความทุกข์ตลอดกาลตลอดสมัยทําไมเราจะต้องบ้าตามตอนนี้ต้องหันมาเมตตาตัวเราเองก่อนโอ๋นอ คนนี้ช่างโง่เหลือเกินเขาไม่น่าจะทําลายความเป็นมิตรของเราแต่เขาเป็นมิตรกับเราเขายังมีความสุขเขาจะไม่มีอะไรมาเป็นเครื่องทุกข์เพราะเราไม่ได้เป็นศัตรูการที่เขาประกาศเป็นศัตรูกับเรานี้ก็ตัดความสุขกับคนไปพวกหนึ่งไม่ใช่เฉพาะเราเพราะพวกของเราอีกหลายคนที่ต้องเกลียดเขาเป็นศัตรูกับเขา ถ้าเราไปโกรธกับเขาด้วยมันจะช่วยมีความสุขไหมมันก็ไม่มีความสุขอาการที่เขาแสดงออกด้วยความไม่พอใจมันสร้างให้เราแกเร็วลงไปไหมถ้าเราอ้วนอยู่มันทำให้ผอมหรือเปล่าเราเป็นคนร่างกายแข็งแรงทำให้เราป่วยหรือเปล่าถ้าเราไม่รับทุกอย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรมาถึงเรา เรานอนเป็นสุกแกอยากจะด่าบ้าไปคนเดียวก็ด่าไปคนเดียวมันบ้านยิ่งนินทาว่ารายเขามาเทาไรชาว บ, บ้านเขาคนเลยเขาเกลียดมากขนั้นเราก็เฉยเสียต้องดูตัวอย่างพระพุทธเจา้าใครว่าอะไรท่านก็เฉยตัวเฉยตัวนี้แสดงว่าพร ม, มีหันสี่ตัวสุดท้ายเรานํามาใช้ เรานึกเมตตาว่าคนนี้ไม่ควรจะสร้างศัตรูสงสารคิดว่าถ้าเขามีเป็นมิตรเราก็ยัมีความสุขที่เขาต้องมีความทุกข์เขาประกาศตนเป็นศัตรูกับเราใช้ข้อท้ายอุเบคาเข้ามาระงับกับอารมณ์ของใจว่าใครเขาจะบ้ายังไงก็ช่างเขาเราจะไม่ดีเราจะไม่ชั่วเราคนรักเราคงเกลียด เราจะดีหรือจะชั่วจะมีความสุขหรือความทุกข์ที่อาศัยความสงบของจิตคือไม่รับทั้งชั่วไม่รับทั้งดีคือว่าไม่รับทั้งคำทอนเสริญและนินทาเป็นสําคัญเราจะขอยึดคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสตร์เสนาคือเวขาความวางเฉยทําใจให้เป็นสุขนึกสนุกโอ๋หนอโลกนี้ยังมีคนมากอยู่มาก ถ้าหากว่าเราบ้าตามเขาเมื่อไรตายเราก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ถ้ากำลังใจของเราเป็นสุขไม่ถือคนบ้าไม่ว่าคนเมาช่างเขาก็่อยากจะตกมารกเป็นเปรตแปลสุรกายเป็นสะเานเป็นคนที่ใช้การไม่ได้ต่อไปขณ า, ามันเป็นเรื่องของเขาเราขอเอาความสุขเพื่อยอมจิตสงบไม่ยอมรับนับถือคนวาจาของคนชั่วประเพทนั้น คิดตามแบบเขาองค์สมเด็จพระพักกวันที่ต่อกับคามครามหาด่าพระพุทธเจ้าหาวุฒิเจ้าแพ้พระไม่ตอบพระพุทธเจ้าทรงตรันว่าฉันคิดว่าคนที่ด่าฉันแล้วฉันด่าตอบฉันคิดว่าฉันเร็วกว่าคนที่เขาด่าฉันนี่เป็นอันว่าคนที่ด่าเราว่าเราถ้าไม่เราไม่ชอบใจเขาเร็วเราจงอย่าเรวมากกว่าเขา ถ้าเราไม่ยอมรับเสียเพียงใดเขาก็เลวแต่คนเดียวเป็นนั้นว่าถ้าจิตใจเขาบ่นดาท่านพุทธบริษัทคิดไว้ยอย่างนี้ความเป็นพระอนาคามีก็เกิดขึ้นกับท่านจะรู้ได้ต่อเมื่อบุคคลใดด่าจิตเรามีความสุขไม่สุะท่านในคำด่าเมื่อเขายังด่ามา ก, ออกท่ามากเลยคิดว่าโอ้ยนี่มันบ้ามากอย่างนี้ เราไม่เอาด้วยไม่ยอมบ้าแล้วอย่างนี้ชีวะท่านปฏิบัติตามกระแสวัฒธรรมเทศนาขององสมเด็จ พ, พ, พระบัณิป้วอาศัยพมมืิหารสีรเป็นพรนาคามีได้สบายอารบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเวลาการที่จะแสดงกันพูดกันก็หมดแต่เพียงเทนี้สำหรับต่อ น, นี้ไปขอทุกท่านตั้งาจให้ตรงดำรงจิตใ้มัน กำหนดรู้ลมไม่ใจเข้าใจออกใช้คำภาวนาและพิจรารณาตามอัตยาใสาจึ้งกว่าจะถึงือล า, าที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสด์